พระวจนะที่มาถึงเราทั้งหลายปรากฏในพระธรรมวิวรณ์บทที่21ข้อ4ความว่าพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆหยดจากตาของเขาความตายจะไม่มีอีกต่อไปการคร่ำครวญการร้องไห้และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปเพราะยุคเดิมนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว ขอพระเจ้าได้โปรดให้พระคําของพระองค์มีผลในชีวิตของเราทั้งความคิดคําพูดและการกระทําขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับตรงนี้เห็นไหมข้างซ้ายเห็นอาจารย์นะไม่เห็นมือถือเนาะเห็นอาจารย์นะโอเค เร็วนะครับแต่ละปีนี่เร็วไม่เร็วนี่เดือนตุลาละแต่ละปีเนี่ยตื่นเต้นนะไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างภาษาจีนมีคำหนึ่งครับขอญาติอ่านให้ที่ประชุมฟังนะครับอ่ไม่ขึ้นขึ้นจอหัหยคนจีนมักจะพูดติดปากอยู่ประโยคหนึ่งเขาพูดอย่างนี้ พูดตามผมหน่อยดีกว่าครับจะได้ภาษ า, าจีนเราอาเซียลนล้เนีย น, น, นเนียนนานกั่วเนียนๆนกั่วประโยคภาษาจีนประโยคนี้บอกว่าแต่ละปีเนี่ยมันผ่านยากมันมีเรื่องเยอะแยะไปหมดแต่ละปีที่เกิดขึ้นปัญหาอุปสรรคการพัดภาคการร้องไห้การเศร้าสูก แน่นอนก็มีความสุขความชื่นชมยินดีพนอยู่ด้วยแต่แต่ละปีเนี่ยก็ผ่านยากแต่คนจีนก็บอกว่าผ่านยากแต่ผ่านได้ผ่านได้ช่วงเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เสียพี่สาวไปคนโตก็ผ่านยากนะครับ ก, ก็ผ่านได้ผมกับพี่สาวไม่ค่อยสนิทกันไม่เคยพูดรักกันด้วย แต่ตอนที่ท่านใกล้าตายท่านเรียกผมไปกอดแล้วบอกว่าเจ้ลักกอนนะเจ้ลักกอนผมก็บอกว่าผมก็รักเจ้ครับพระเยซูรักเจ้มากด้วยเชื่อพระเยซูนะเจ้แกอือือื ม, อ ม, อมแต่ละปีผ่านยากแต่ผ่านได้เอเมน เมื่อคืนนะครับถ้าพี่น้องมีโอกาสมานะครับผมจะพูดถึงจดหมายของอาจารย์เปาโลจดหมายฝากเปาโลหนุนใจพี่น้องคริสเตียนเนี่ยมุ่งหน้าไปถึงเป้าหมายที่พระเจ้ากาหนดไว้ก็คือการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้านะครับก็คือสวยสุขกับพระเจ้าในแผ่นดินสวรรค์เป็นนิลันวันนี้ผมพาพี่น้องศึกษาสั้นๆก่อนเข้าสู่สวรรค์นะครับ อาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นบุคคลเดียวที่ผมว่าขึ้นสวรรค์ไมืไ่อไต้องเจอต้องคุยกับท่านสักห้าร้อปีสวรรค์ท่านเป็นคนที่กล้าพูดประโยคนี้ในหนึ่งโคลินิสเบข้อหนึ่งท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคริสต์นั่นแสดงว่าคนที่พูดประโยคนี้แสดงว่ามั่นใจว่าเป้าหมายทิศทางมาตรฐานเส้นทางที่เขาเดินเนี่ยเป็นเส้นทางที่มาจากพระเจ้าจริงๆแล้วก็เรียกร้องให้กับคนที่คนเป็นของมูอทุกคนเนี่ยเดินตามท่านก็คือเดินตามท่าน ไปถึงเป้าหมายนั้นพี่น้องครับเปาโลเนี่เขียนจดหมายฝากทั้งหมดเนี่ยสิฉบับในทั้งการ13ฉบับฉบับที่เป็นฉบับสุดท้ายก็คือพระธรรมสองทิโมธีผมขอพูดนิดนึงให้พี่น้องฟังก่อนในความคิดของอาจารย์เปาโลนะครับท่านมีความเชื่อว่าพระเยซูก็เข้ามาในโลกเนี่ยทำให้ก่อกําเนิดโลกที่สุดท้ายละคือโลกจะสิ้นสุดละดังนั้นเปาโลเขียนเนี่ย จดหมายฝากทุกฉบับนีจะมีกินอายที่เตือนสติขิสเซียนว่าเฮ้ยอย่าหลับนะตื่นขึ้นนะเวลามันสั้นจริงๆต้องลุกขึ้นมาทําบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าใกล้จะพบพระเจ้าแล้วถ้าคุณท่านอ่านนะครับพระธรรมของที่เปาโลเขียนจดหมายฝากคุณเห็นกินอายนี้ว่าเปาโลนี่กระตุ้นให้พี่น้องขิสเซียนตื่นขึ้นลุกขึ้นอย่าหลับไหลฝ่ายมีานเพราะวันที่พบพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้วและสองที่โบธีเนี่ยครับฉบับนี้นะ เป็นจดหมายฉบับสุดท้ายของอาจารย์เปโอลพี่น้องเวลาคนใกล้จะไปแล้วนะถ้าท่านอะไรสั่งเสียและสุดท้ายเนี่ยอันนี้สําคัญมากๆสําคัญจริงๆเปาโลพูดในสองที่โมธีเนี่ยก็คือจดหมายสุดท้ายให้กับทิโมธีลูกหักฝ่ายงานิของท่านและก็เป็นการเตือนสติคริสเตียนในยุคสุดท้ายด้วยว่าฟังดีๆนี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้ากําชับก่อนที่ข้าพเจ้าจะไปพี่น้องดูครับอาจารย์เปโอลพูดในสองทีโมธีบทที่สี่ข้อหนึ่งว่าอะไร ข้าพเจ้ากำชับท่านต่อพระพักพระเจ้าและพระเยซูกิดผู้จะทรงพิพากษาคนเป็นและคนตายโดยอ้างถึงการที่โปร่งจะเสด็จมาปรากฏและแผ่นดินของพระเจ้าว่าถ้อยคําอย่างนี้นะอ่านแล้วดูเหมือนเข้าใจง่ายนะแต่มันลึกซึ้งจริงๆเปาโลเตอือนสติคริสตียนว่าทำไมครับพี่น้องคริสเตียนที่รักที่มูธีลูกรักของข้าพเจ้าข้าพเจ้ากำชับท่านนะว่าวันหนึ่งท่านต้องพบกับพระเยซูกิดผู้จะทรงพิพากษาพี่น้องครับท่านดูร่องหาต่างดูต้นไม้ ดูตึกตัวอาคานี้ผมบอกให้ท่านทราบนะครับเรื่องแต่งงานเนี่ยเรื่องแต่งงานเนี่ยไม่มีคิวการแต่งงานไม่มีคิวก็คือบางคนอยู่โสดบางคนได้แต่งบางคนไม่ได้แต่งแต่เรื่องพระเยซูนเนี่ยมีคิวแน่นอนตามคิวแน่นอนช้าหรือเร็วการเดินทางในโลกนี้ต้องสิ้นสุดโลกนี้เป็นแค่เดินทางนั่นเองสิ้นสุดแล้ววันนั้นเราต้องเผชิญหน้ากับองค์พระเยซูกิตผู้พิพากษาเราพี่น้องครับ อาจรโบโลบอกที่มัธยีว่า ท, ทาไมลูกเอ๋ยพ่อเตือนเจ้านะกำชับเจ้าเลยเล่นลึกอยู่เสมอวันหนึ่งลูกต้องเจอกับใครพระเยซูกิตพู้จะพิ่ภากษาแล้วดูสิครับพี่น้องเปโโลพูดว่าอะไรโดยอ้างถึงการที่ผมจะเสร็จมาปรากฏในแผ่นดินของพระเจ้าว่าหมายถึงอะไรครับวันหนึ่งแผ่นดินโลกนี้จะไม่มีต่อไปจะปรากฏอยู่แค่แผ่นดินสวรรค์ที่เราต้องอยู่ที่นั่นดังนั้นลูกเตรียมตัวให้พร้อมนะเพราะวันหนึ่งลูกจะต้องพบกับพระเจ้าในแผ่นดินสวรรค์ แล้วเปโลูก็พูดในสองที่บทีวที่สี่เขาสองว่าอะไรครับให้ประกาศโพสชนะให้ขมักข m e n ที่จะทําการทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสให้ชักชวนด้วยเหตุผลเตือนสติและตักเตือนให้อดทนอยู่เสมอในการสั่งสอนผมขอพูดข้างล่างก่อนอาจารย์เปโอลกพูดกับที่บทีว่าลูกเอ๋ยทําหน้าที่ของผู้รับใช้พระเจ้าให้ดีๆผู้รับใช้พระเจ้าเราสอนให้คนเชื่อไม่ใช่เชื่อแบบมงมงายเราสอนให้คนเชื่อแบบมีเหตุและมีผล พี่น้องก็ทราบดีความเชื่อมีสองประเภทคือ1เชื่อแบบงมงายสองเชื่อแบบมีเหตุผลที่สมเหตุสมผลเชื่อแบบมงมงายเป็นยังไงพี่น้องก็ง่ายมากผมให้หลักการง่ายๆเข้าใจใง่ายเชื่อแบบมงมงายก็คือสอนให้เขาดื่นเชื่อในความเชื่อของตอนเองเมื่อวานนี้นะครับพี่น้องผมนอนอยู่ห้องชั้น4ี่นะครับและผมมาดิษฐานเตรียมเทศนาทันใด น, นั้นเน่ยเตียงนอนผมสั่นได้ แล้วปรากฏก็มีเมฆปกคุมในห้องนอนผมแล้วมีพระเศีพระเจ้าส่องมาอ ย, ย่างผมแล้วผมเห็นสัตว์ตัวหนึ่งครับมีปีกหปีกขีบถานเพิงมาแต่ปากผมอัศจริงแล้วบอกว่าเราตั้งเจ้าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเชื่อไหมครับนี่แหละเขาเรียกว่าเชื่อแบบงมงายคุณเชื่ออย่างนั้นและคุณก็สอนให้คนขบวงเชื่อในความเชื่อของคุณอันนี้คือความงมงาย หลายคนอ้างว่าเขาขึ้นสวรรค์ลงนรกคุณไม่ได้รู้เลยเขาอธิบายไม่ได้เลยเขาบอกเขาเห็นอย่างนั้นเขาเชื่ออย่างนั้นแล้วก็มาเล่าให้คุณเชื่อในความเชื่อเขาเขาเรียกว่าเฟ in Fa เฟดเชื่อในความเชื่อเขาพี่น้องครับเปาโลเตอือนทิปเทีว่าพวกเราคนของพระเจ้าไม่ให้คนเฟ in Fa เฟดเราต้องให้คนเฟดอินเดอะทูชเฟดอินเดอะไบเบิลเชื่อในความจริงของพระผี่ซึ่งเป็นความจริงความจริงคืออะไรพูดครั้งเดียวพอฟังทันก็ทันไม่ทันเรื่องท่านความจริงคือนี้ครับ ก็คือเหตุผลที่สมเหตุสมผลสามารถอธิบายได้สอดคล้องกับสัมผัเหตุผลในความเข้าใจความจริงที่อยู่ในมนุษย์คนทั่วโลกอธิบายเสร็จเถียงไม่ได้สยบทุกคนทันท่วโล ก, คกคใครเถียงใจแข็งกระดัง น, นั้นเปาโลพูดถึงข่าวประเสริฐของพระคิดคําสอนของพระเจ้าพักคำของพระเจ้าว่ามีเหตุมีผลที่เป็นความจริงสามารถสยบทุกคนทันท่วโล ก, ก, กได้ปเปาโลเตือนทิโมธีเลยลูกเอ้ยยืนอยู่บนเรือนนี้แล้วประกาศข่าวประเสริฐนะลูกแล้วกําชับทิโมธีว่าลูกชีวิตคริสเตียนนะ ลูกต้องวางลาดับให้ถูกบอลโลเต้นที่บทีเลยคุณดูสิครับให้ประกาศพระคําพระเจ้าคำบัคขเมนที่มีทําการทั้งในขนาดที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสนี่คือระดับลึกเลยผมถึงบอกว่าผมขึ้นสวรเมื่อไหร่นอะนะอาจารย์บอโลต้องให้ผมเลี้ยงเฮปนบับคในโลกนี้มีสตาบักบนสวรรค์ต้องมีเฮปนิแบคผมต้องเลี้ยงสักสามแก้วแล้วคุยกับอาจารย์บอลโลพี่น้องครับอาจารย์บอโลว่าไงให้ทําการของพระเจ้าขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสตรงนี้ลึกซึ้งจริงลึกซึ้งอะไรครับพี่น้องครับ พระคัมภีร์ได้บอกว่ายุคสุดท้ายจะเหมือนสมัยของโนโอาพี่น้องโนโอาเป็นแบบอย่างของคริสเตียนก่อนที่จะเผชิญกับโลกค ส, ส, สุดท้ายก่อนที่พีเอซึ่งจะมาก่อนพี่ภาคภาษาจะมาโนโอาเนี่ยวางลาดับสําคัญในชีวิตได้ชัดเจนมากๆเปาโลคาดหวังให้คริสเตียนทุกคนผ่านทางที่บททีนะ่คาดหวังคริสเตียนทุกคนวางลําดับชีวิตสําคัญก่อนหลังให้ถูกต้องผมถามพี่น้องหน่อยเปาโลไอโนโอาเนี่ ย, โโยต่อเรือโนโอาใช่ไหมครับ ท่านต่อเรือใช่ไหมครับมันพิพากษามาถึงผมถามหน่อยโนอาต่อเรืออายุเท่าไหร่เอาไม่น่าถามตอบไม่ได้หรอกโนอานี่นะครับอายุหนึ่งขวบถึง500ปีท่านมีบุตรชายสามคนคือเชมฮามยาเฟตหนึ่งขวบถึง500ปีพอตอน500ปีเนี่ยท่านถึงคลอดลูกหลอตั้ง500ปีนะมีชื่อว่าเชมฮามยาเฟตและเน้่มทุกโลกตอนที่โนอาอายุหกรปี ดังนั้นตั้งแต่โนอาเนี่ยมีลูก3คนจนถึงน้ําท่วมโลกเนี่ยระยะเวลาห่าง ก, กันกี่ปีครับ100ปีโนอาต่อเรือ ก, กี่ปีพี่น้องคิดเสียจนวนมากไปฝังนักเทศบอกว่าต่อเรือ120ปีไม่ถูกโนอามีลูกชาย3คนตอนอายุ500น้ําท่วมโลก600คําสั่งของพระเจ้าลงมาตรงกลางตรงนี้ตอนนั้นเนี่ยลูกชายโนอามีลูกสะพ้ยแล้วตอนนี้ลูกชายสามารถมีลูกสะพ้ยได้อายุเท่าไหร่ละครับ ก็คือ 20-30 ถึงปีใช่ไหมใช่ครับดังนั้นเนี่ยโนอาต่อเรือนะก็ประมาณ7 0ถึง70ถึง8ปปีตอนนี้คำถามมาแล้วพี่น้องครับตอนที่คำสั่งต่อเรอยังมาไม่ถึงโนอาตอนที่คาสั่งต่อเรายังมาไม่ถึงโนาโนอาอยุหนึ่งถึง500ปีโนาทำอะไรเอาตอบสิครับโนาทำอะไรอ่ะตอบให้ฟังกันเลย ตอนที่คําสั่งของพระเจ้ายังไม่มาถึงท่านโนอาโนอาายุหนึ่งขวบถึง500ปีเนี่ยโนอาก็ทําเหมือนพวกเราคือทำมาหากินทำมาหากินงานหลักของท่านก็คือทำมาหากินเลี้ยงดูร่างกายนี้แต่เมื่อคําสั่งของพระเจ้ามาเปรี่ยนท่านวางลําดับความสําคัญเปลี่ยนละงานสําคัญของท่านเวลานี้ไม่ใช่ทำมาหากินละงานสําคัญของท่านเวลานี้คืออะไรครับ สร้างเรือโนอาสร้างเรือแห่งความรอดและก็ประกาศความรอดให้ทุกคนเข้ามาอยู่ในไห น, ไหนในเรือนี่คืองานหลักของท่านแล้วถามว่าโนอาทิ้งการทําหากินไหมไม่ทิ้งแต่การทําหากินนั้นกลับกลายเป็นงานรองทําไมต้องทําหากินอยู่เพราะร่างกายนี้ต้องกินต้องดื่มต้องทํางานต้องมีพลังงานดังนั้นการทําหากินของท่านก็เพื่อจีเลี้ยดูร่างกายนี้ให้มีกําลังมีแข็งแรงมีชีวิตเพื่อจะสามารถทํางานหลักได้งานหลักของโนอาคืออะไรครับ ต่อเรือและประกาศความรอดเปา โ, โลเตือนที่โมธีลักษณะเดียวกันว่าลูกเอยวางลำดับความสำคัญให้ถูกต้องงานหลักของคนเหล่านั้นที่ได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนได้รับคำสั่งจากพิชิตรับประคุณจากพาจิตเขาต้องมีงานหลักก็คือต่อเรือใครบอกคุณงานหลักของท่านก็คือทำไมครับสร้างคิจักรเสริมสร้างคิดจักรคิดจักรเนี่ยคือเรือโนอา ใครเข้าสู่พระกายพระคิดคนนั้นรับความรอดดังนั้นหน้าที่หลักขิดเส้นก็คือเสริมสร้างขีดจักรทําภารกิจของิีดจักรรับใช้พระเจ้าขีดจักรนี่คืองานหลักของท่านและงานหลักอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องประกาศข่าวประเสริฐให้ทุกคนรู้ความรอดเข้ามาอยู่ในไหนครับพระกายของมรคิดเรามีหน้าที่ประกาศเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นเรื่องของเขากับใคร <Yeah. S 1> กับพระเจ้าเปาโลพูดกับที่โมธีว่าทีโมธีลูกลักสํานึกอยู่เสมอว่าพระเยซูทรงเป็น ก, กษัตริย์เหนือ พระเยซูทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งบ่วงถ้าพี่น้องเคยดูหนังจีนนะครับเคยดูไหมครับหนังจีนจะมีกษัตริย์เหนือกษัตริย์เขาเรียกว่าฮ่องเต้ถ้ากษัตริย์ธรรมดาเขาเรียกว่า อ, องค์หวังหวังแต่ถ้ากษัตริย์เหนือกษัตริย์เขาเรียกห่วงสั่งหวงตีเงี้ยนะก็คือฮ่องเต้เวลาฮ่องเต้นนะจะพูดกับใครก็แล้วแต่ฮ่องเต้จะไม่เสด็จไปเองฮ่องเต้ทําไมใช้ใครใช้ม้าเร็วม้าเร็วมานนี่ คุณเชียนมาเร็วเดินก็มาเฝ้าฮ่องเต้แล้วก็จะปัดยุงสครั้งคุกงงฮ่องเต้บอกเอาราชโองการนี้ไปบ้านในพลเชียงหมิงพี่น้องครับม้าเร็วรับราชโองการเสร็จต้องขี่ม้าไปย่งดวนไปบ้านบนเชียงหมิงแล้วประกาศราชโองการพอประกาศเสร็นนจนายพลเชียงหมิงเนี่ยจะเข้าเฝ้าฮ่องเต้หรือไม่เข้าเฝ้าเป็นเรื่องของเขากับใครเป็นเรื่องเขากับฮ่องเต้ดังนั้นพี่น้องครับพวกเราคือม้าเร็วต้องทําหน้าที่นี้ ขัดคําสั่งของมหากษัตริย์ก็คือขอขัดดังนั้นพวกเราขีเซียนจะต้องประกาศขับวประเสริฐอาจารย์ปโลพูดในหนึ่งโคลินบทที่เก้าเขาจกว่าไงถ้าข้าพเจ้าเอาไม่ประกาศข่าวประเสริฐวิบัติจะเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าดังนั้นพี่น้องท่านเห็นคนที่ยังไม่เชื่อท่านมีสิหน้าที่ที่พระเจ้ากําหนดให้ต้องประกาศขับวประเสริฐส่วนเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นเรื่องของเขากับใครครับกับพระเจ้าแต่เวลาประกาศไม่ใช่ดูเดือนเหมือนผมนะครับพี่จะต้องสุภาพพูดด้วยความรัก หนุนใจเขาเตือนเขาพี่น้องพูดตามผมหน่อยเวลาเตือนเขาอย่าทําเหมือนพระเจ้าเป็นขอทานผมเนี่ยเป็นผู้ประกาศครั้งหนึ่งผมเจอนักเทศคนหนึ่งครับของประเทศไทยไม่เอ่ยที่ไหนไม่เอ่ยจังหวัดด้วยผมไปยืนท่านประกาศกับพระเสด็จท่านก็เทศดีแต่พอถึงสุดท้ายเนี่ยไม่แฮปปี้เท่าไหร่ครับท่านขึ้นภาพหนึ่งเป็นภาพพระเยซูน็อกเดอะดอคอบประตูอะเคยเห็นไหมครับเพเยซูครอบประตูแล้วท่านก็พูดอย่างนี้ พี่น้องครับได้ยินเสียงเคาะประตูของพระเยซูไหมท่านไม่สงสารพระองค์เหรอบางคนพวงยืนเคาะตั้งสิบปีแล้วก็ยังไม่เปิดข้างนอกมันหนาวนะสงสารพระองค์เถอะให้พคงเข้าไปในหัวใจอบอุ่นของคุณอออื <c oughs> บรรยายเหมือนพระเยซูผมเป็นขอทานยังไงไม่ทราบพี่น้องพูดตาผมหน่อยครับพระเจ้า <c oughs> ไม่เคยงอมนุษย์ <c oughs> ไม่เคยขอร้องมนุษย์ <c oughs> ให้กลับใจใหม่ พระเจ้ามีแต่สั่งไม่กับใจน่าดูแต่ผมเนี่ยนายทิกอนผมเนี่ยขอร้องคืนดีกับพระเจ้านะครับพี่คืนดีนะครับพี่ไม่คืนดีน่าดูนะพี่พี่น้องครับเปาโลโตเตือนิี่บทีว่าทำไมงานหลักของท่านก็คือสร้างคิจักรและประกาศคำสั่งแล้วเปาโลก็พูดต่อมาในข้อที่สาว่าอะไรครับเพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนต่อคำสอนที่มีหลักไม่ได้ ข้อหมายคืออะไรยุคสุดท้ายคนจะไม่ทําไมครับฟังคําสอนที่มีหลักก็คือเหตุผลที่สมเอ็นส ม, มุนสยบทุกข์ตะโลกแต่เขาจะรวบรวมครูไว้ให้สอนในสิ่งที่เขาทำไมาชอบฟังคนชอบฟังอะไรล่ะก็ฟังนิยายนะครับคนชอบฟังนิยายอะ่ะมันเพื่อเป็นเทาความอยากเขาจะเลิกฟังความจริงและหันจะไปฟังนิยายต่างๆนี่คือหมายสําคัญอย่างหนึ่งในยุคสุดท้ายผู้รับใช้เทียมเท็จผู้ชนะเทียมเท็ดจะเกิดขึ้นทําหมายสำคัญใหญ่หลวงล่อลวงแบกทั่งผู้ที่เลือกสรรให้หลงถ้าเป็นได้ ยุคสุดท้ายเปาโลเตือนทิเบตีว่าลูกเอ๋ยตั้งมั่นอยู่ในความจริงไงเพระวจนะของพระเจ้ายึดมั่นในเหตุผลที่สมเป็นสมผล ส, สยบทุกคนทั่วโลกซึ่งเป็นความจริงพระคัมภีระเจ้าระวังดีๆอย่าพาพี่น้องเป๋ไปในเชื่อในความเชื่อยุคสุดท้ายคนจะเลิกฟังความจริงหันไปฟังคําสอนอะไรครับเทียมเท็จอาจารย์เปโตก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เตือนสติขุเสเซียนว่าระวังดีๆปลายยุคสุดท้ายมีคําทํานายไว้จะมีครูเทียมเทเ็ดเกิดขึ้นมากมายผมขอบคุณพระเจ้าสําหรับท่านเปโต ถึงแม้ท่านมีความรู้ไม่สูงท่านเป็นชาวประม ง, งแต่ในพระธรรมสองเปโตบทที่สองข้อที่หนะึ่งะสุดยอดเลยผมตั้งใจว่าผมจะไม่เลี้ยงให้เป็นบัคเฉพาะเปาโลผมจะเลี้ยงเปโตด้วยเปโต้พูดในสองเปโตบที่สองข้อหนึ่งว่าอะไรระวังยุคสุดท้ายจะมีคนเทียมเทพเกิดขึ้นครูเทียมเทพเกิดขึ้นลักลอบเอามิตรฉาลักธิเข้ามาพี่น้องครับเปโตใช้คานี้เลยครับมิตรฉาลักธิ ผมนึกบอกว่าเปโต้ที่สุดยอดเลยทำไมถึงสุดยอดเพราะคําว่ามิจฉาลักทิเนี่ยเป็นคำศัพท์เฉพาะของปัติยาของกรีกนะลักษณะของครูเทียมเทสเนี่ยเราเรียกว่ามิจฉาลักทิคุณเข้าดูเพิ่มพีได้สองเปโนตัวบทที่สองข้างหนึ่งลักษณะครูเทียมเทสเนี่ยจะมีอยู่สี่อย่างผมหนุนใจพี่น้องคิดจากพัฒนาสมาชิกยึดมั่นในความจริงของพระวนจนะพระเจ้าวไว้ถ้าเจอครูคนไหนนะมีลักษณะสอย่างนี้กรุณาห่างไกลเข้าด้วย นี่คือองค์ประกอบของพวกเรนมิตรสารที่สีประการท่านจําไหมนะครับ4ี่ประการนี้คืออะไร1ลักษณะของมิตรสารกี่ประการที่หนึ่งเขาจะอ้างว่าเขาวิเศษกว่าคนอื่นเหนือธรรมชาติเขามีบางอย่างที่ทำไมครับวิเศษวิโสกว่าอื่นสามารถสยบมีฝ่ามือเทพเอเราหันพับๆอะไรก็แล้วแต่เขาจะพูดถึงประสบะการณ์เหนือธรรมชาติของเขาซึ่งเขาจะเหนือคนอื่นนี่คือที่เริ่มต้นของพวกมิจฉสารทิพ์พี่น้องผมไม่ได้บอกกับคิดเซียน ไม่มีประสบะการณ์ทิศเซียนมีประสบะการณ์ได้แต่พวกเตรียมิพัฒน์ลัทธิเขาจะประสบะการณ์เขามาอวดอวดเกินหน้าอะไรพระคัมภีร์มีอาจารย์คนหนึ่งมาจากเมืองนอกนี่ก็มิพัฒน์ลัทธิเทศนานะไม่ใช่พระคัมภีร์เลยเขาฟังเสียงพระเจ้าโดยตรงออนไลน์มีคนไปถามท่านทําไมไม่อ่านเล่มนี้ทำไมไม่อ่านเล่มนี้ทําไมฟังแต่เสียงพระเจ้าแล้วพูดท่านพูดประโยคหนึ่งเตรียมหานะครับ ท่านพูดว่าอะไรทราบไหครับนี่มีหลักฐานด้วยท่านพูดว่าอะไรทราบไหมครับพระเยซูกิตไม่ได้ตัดว่าพระเยซูกิตไม่ได้ตัดว่าแกะของเรารู้จักหนังสือเราพระเยซูว่าแกะของเราย่อมฟังเสียงเราหาไหมครับนี่ท่านไม่หาผมเริ่มหาท่านแล้วนะครับทําไมท่านไม่หา<ก Learning>เขาบอกว่าแกะของเราไม่ใช่รู้จักหนังสือเราต้องรู้จักเสียงเราดังนั้นเนี่ยเขาต้องพูดเขาต้เสียงพระเจ้าให้เขาฟังอันตรายไหมครับทีสุดท้าย เขาบอกว่าเขาสามารถสื่อสารกับพระเจ้าได้โดยไม่ต้องผ่านาบัณฑิตนี้นี่แหละคือที่ต้นต้นของวิชาลักที่ก็คือพูดประสบการณ์เหนือธรรมชาติว่าตัวเองเหนือคนอื่นประสบการณ์เหนือคนอื่นขึ้นสวรรค์ลงนรกไม่หมดนี่คือวิชารักทิอย่างที่สองวิชาลักทิเป็นยังไงครับเขาจะสร้างคําศัพท์ใหม่ๆคำคำเลขประดิษฐําใหม่ๆออกจากรากฐานเดิมคือตั้งแต่เราเชื่อตั้งแต่ขอโทษนะครับรุ่นคุณพ่อคุณแม่นะครับเราก็เชื่ อ, องี้มาแต่วิจชาลักที่มันจะเพิ่มอะไรครับ คำสั์ บ, บังคับสับที่คุณเกิดมาจากท้องคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เคยได้ยินเลยครับเช่นจุ่มแช่ในพระวิ ญ, ญญาณเดินในพระวิ ญ, ญญาณวัดจีพิษสวงเคยด้ยินไหมครับไปเปิดดู Google วัดจีพิษสวงเกิดมาผมเพิ่งได้ยินพ่าตัดฝ่ายวิญญาณหัวเราะวิญญาณเมาในพระวิ ญ, ญญาณอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเขาจะประดิษฐ์คำใหม่ๆขึ้นมาแนวทางใหม่ๆขึ้นมาซึ่งออกจากหลักการพบังทีเดิม ไม่ออกไม่ไม่อยู่บนพื้นฐานนี่แหละสร้างคําสอนใหมใหม่หขึ้นมาแต่ยังอ้างว่าอยู่ตรงนี้เอาตรงนี้มาอ้างตรงนี้ของเขาี่นอนกับนี่คือมิชชัลคทีอย่างที่สมมิชชัลลัคที่ง่ายมากเขาจะสร้างกระแสออกแอนนเซอร์ izer, ให้ดูดีเพราะว่าสังคมยุคสุดท้ายชอบเปลือกนอกมากกว่าแก่นแท้เขาจะสร้างาพระพุน์ให้ดูดีเส้นนอผมก็ใส่เสนอกใวันนี้ดูดีเฮ้ยดู ด, ดีทุกอย่างเพอร์เฟกตออกแอนนเซอร์สุดยอด ทำให้คนทำไมครับเพราะว่าคนยุคนี้ชอบเปลือกงอกไงไม่ชอบแก่นแท้พอเห็นเปลือกนอกก็อุ้ยอาจารย์ดีจังเลยดีจังเลยอย่างเงี้ยเขาจะสร้างออค์กระดิเสอร์สุดท้ายพระวิชาลัทธิเป็นยังไงครับเขาจะมีสาวกของเขาโดยเฉพาะกลุ่มหนึ่งเป็นสาวกที่นับถือเขาอย่างเต็มที่เป็นไอดอลเลยแล้วเวลามีคนไปตําหนิเขานะเขาจะไม่แสดงอาการโกรธสาวกจะขึ้นอารมณ์เองปิดหนึ่งเลย ปิดเลยปิดเลยปิลอย่างเงี้ยแต่มิชารักทีเนี่ยไม่น่ากลัวหรอกเพราะอะไรเดี๋ยวผู้นำตายจบผู้นำตายก็จบเอา้าแล้วอาจารย์จะพูดทำไมเยอะแยะผมต้องเตือนสติเหมือนอาจารย์บารโลเตือนที่บทีเพื่อให้คริสเตียนไม่ลงทุนกับเขาไงคุณจะได้ไม่สูญเปล่าไงผมเคยบอกไปแล้วเมื่อคนนึงเห็นว่าอะไรมีค่าเขาจะเอาห้าอย่างไปลงทุนเอาอะไรครับ เมื่อคนนึงเห็นว่าอะไรมีค่านะครับเขาจะเอาหอย่างไปลงทุนเอาอะไรไปลงทุนครับเวลาทรัพย์สินเงินทองสติปัญญาพลังกำลังและความสามารถเบาโลต้องเตือนทิโมธีว่าทําไมลูกเอ๋ยเตือนคิดจะจับของพระเจ้านะอย่าไปลงทุนกับสิ่งที่ไร้สาระอย่าไปลงทุนกับครูสอนเกียมเท็จเพราะว่าจะแลกมาซึ่งความสูนเลยครับศูญย์เปล่าเสียหมดทุกอย่างเสียความรู้สึกตั้งหกักพี่น้องครับดังนั้นคริดเสียเราจะต้องยืนหยัดอยู่บนหลักความจริงบางพีเบาโลพูดชัดเจนเอาละ ผมพูดเรื่องนี้ให้ฟังเดือนตุลาคมเนี่ยอาทิตย์ที่สองผมไปเทศนาอยู่ที่เชียงรายไปอยู่ที่หมู่บ้านเนี่ยผมลืมแล้วเนี่ยแม่ปูคาอะไรเนี่ยทางไปแม่เมืองอำเภอจัน อ, อะไรแม่จันทำไปแม่จันมีมิชชันนารีท่านหนึ่งนะชื่อต้องให้เครดิตท่านนะครับชื่ออาจันเฮนรี่ท่านทำฟาร์มนมแพะอยู่ที่นั่นผมเพิงไปเยี่ยมมาเนี่ยพไปดื่มนมแพะครั้งแรกในชีวิตขวดเนียบาบาทดื่มนะครับ อุดหนุนกิเซีย น, นครับผมก็ไปเยี่ยมนมเย่ยมเยี่ยมฟาร์มนมแพะพอไปถึงเนี่ยผมก็ถามอาจารย์เฮลลี่บอกว่าอาจารย์อาจารย์เชี่ยวชาญใช่ไหมได้ยินเขา่าอาจา ร, รย์เชี่ยวชาญในการเลี้ยงแพกะกแก่ท่านก็บอกว่าพอจะเชี่ยวชาญอยู่บ้างเพราะว่าตั้งแต่เล็กก็คุกคีกับแพะกระแกะผมเลยถามประโยคนึงอาจารย์ครับทำไมแพกะกับแกะเลี้ยงด้วยกันไม่ได้ผมก็ถามที่เปโตรซูเขาแยกแพะออกจากแกะผมก็ถามว่าแพกะกับแกะเลี้ยงด้วยกันได้ไหมถ้าเลี้ยงไม่ได้ทําไมถึงเลี้ยงไม่ได้ อาจารย์เฮลียท่านตอบอย่นี้ครับีน้องฟังนะความรู้โดยรวมอาจารย์เฮลีบอกว่าคนที่เชี่ยวชาญในการเลี้ยงแพะกระแกะเนี่ยเขาจะไม่เอาแพะกระแกะมาเลี้ยงผสมกันเพราะว่าแพะเนี่ยมันแข็งแรงกว่าแกะมันชอบขิดชอบขิดแล้วก็แพะเนี่ยฉลาดแต่แกะโง่พอท่านบอกว่าแกะโง่นะผมก็บอกท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมคนฝรั่งรู้เหมือนคนไทยเลยหมายถึงอะไรจาริก่อนคนไทยก็รู้ว่าแกะโง่ เอา้าอาจารย์ทําไมคนไทยรู้ว่าแก่โง่อาจารย์เชื่อผมดิคนไทยรู้ก่อนฝรนั่งเรื่องแก่โง่เนี่ยอาจารย์รู้ไหมทํำไมแก่มันงโง่เพราะมันอ่านหนังสือไม่ได้เขาห้ามมันอ่านถ้าอาจารย์เข้าไปร้าหนรรังสือนะเขาจะติดอยู่หน้าหนังสือบางเล่มห้ามแก่อ่านเอาพี่ไม่ถูกเหรอครับเขาไม่ได้ห้ามแมวห้ามหมาห้ามควายอ่านนะห้ามแก่อ่านนั้นแก่โง่อาจารย์เฮลลี่พอฟังเสร็จเออครับ มันหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรแกยังคิดว่าหนังสือห้ามแกอ่านเพรา ก, ก็ห้ามแกอ่านแต่พวกเราเข้าใจได้คนไทยใช่ไหมโอเคโอเคแกไม่เข้าใจเรื่องของแกอาจารย์เดลี่บอกว่าแพะเนี่ยมันแข็งแรงมันขิดแกะและมันฉลาดกว่าแกแต่แกะเนี่ยโง่อ่อนแอดังนั้นถ้าเลี้ยงรวมกันเนี่ยเวลาเจ้าของอะ่ะเจ้าของฟาร์มเขาเอาอาหารมาเนี่ยแพะมันจะทําไมครับขิดขิดแกะจะไม่ได้กิน แกจะไม่ได้กินแล้วผอไม่ได้กินมันก็ทําไมครับผอมโซแต่ถ้าคนเลี้ยงแพะเลี้ยนแกะไม่ชํานาญนะเขาจะคิดว่าแกะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าขนของแกะมันทำไมมันฟูแต่เวลาไปชั่งน้ําหนักนะแกะตัวนั้นทําไมครับเบามากมันอดมันหิวมันโซเลยนะครับบางตัวตายด้วยสับใบแต่ถ้าดูเปลือกนอกมันทําไมครับมันฟูจริงๆแล้วท่านก็พูดสรุปประโยคหนึ่งบอกว่านี่แหละพระกพีจึงบอกว่าแพ้กับแกะมันต่างกันพวกต้องแยก อย่าไปเทียมแอกกับคนไม่เชื่อคุณไปเทียมแอกนะเหมือนอะไรครับฟูฟู ฟ, ฟูแต่ข้างในมันทําไมไม่มีน้ําหนักมันตายโดยเฉพาะคําสอนเพียนที่เข้ามาในคิดจักคิดจักรไหนเข้ามานะลูกแกะเหมือนฟูฟูฟู ฟ, ฟูแต่ข้างในทําไมครับไม่มีน้ําหนักใกล้ตายด้วยซ้าไปดังนั้นพี่น้องท่านต้องชัดเจนยืนอยู่บนหลักของพระคมพีเปาโลบอกชัดเจนยุคสุดท้ายคนจะเลิกฟังความจริงหันไปฟังนิยายหลงไปทาคําสอนยึดเชิดนะ แล้วเปาโลก็พูดต่อครับแต่ท่านจงดักแน่นมันคงจงอดทนต่อความทุกข์ยากลาบากจงทําหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐและจงกระทําแผนกิจบริการของท่านเสร็จสมบเรณ์ถ้าเมื่อคืนนี้พี่น้องมีโอกาสฟังถ้าไม่มีโอกาสฟังเดี๋ยวไปดู D ีวีดีได้ก็มีการถ่ายลง YouTube ก็ได้เข้าไปดู YouTube เปาโลหนุนใจที่มตีว่าอะไรลูกที่มตีลูกรักอดทนนะลูกอดทนต่อความทุกข์ยากลาบากจงทําหน้าที่ของผู้ประกาศข่าประเสริฐและจงทําพันกิจบริการท่านให้ทำไมครับสําเร็จ แม่ประโยคนี้สำคัญมากพี่น้องพูดตามผมเลยครับชีวิตคริสเตียนขาดสามคำไม่ได้อดทนทอหดอึดเอาใหม่ครับอดทนทอรหดอึดอดทนหมายถึงอะไรแค่ชั่วคู่ชั่วคราวเหมือนกับผู้หญิงคลอดลูกแล้วอดทนอดทนแค่สองสาชั่ว โ, โมงหรือวันสวันก็จบนี่คืออดทนแต่ทอหดไม่ใช่ทอหดก็คือรักษาความอดทนให้ทาไมครับยาวนานยิ่งขึ้น แล้วอึดคืออะไรรักษาความทุกจนถึงวันสุดท้ายพี่น้องเปาโลเตือนที่มธีอดทนนะลูกทลายหดนะลูกอึดจนถึงที่สุดของชีวิตสําเร็จเลยไอ้สําเร็จเห็นคริสเตียนจํานวนมากอนุชนนะที่มาล่องเวลาที่แสนสั้นอย่าสั้นตามชื่อเพลงนะเวลาพวกคุณนะ <laughs> เห็นอนุชนหลายท่านตอนเป็นอนุชนหนุ่มสาวก็รับใช้พระเจ้าก็รับใช้พระเจ้าเต็มที่เลยสุดๆกับพระเจ้าเลยแต่พอหลังจากแ ต, กต่ ง, งานเสร็จ หายแซบหายสวยถามว่าไปไหนเหรอเขาบอกว่าลองวัวเกชันวันหยุดยาวตอนที่ทำไมเป็นหนุหม่มหนุ่มสาวร้องเพลงโอ้โหสุดยอดหมดทั้งชีวิตหมดที่ข้ามีข้าโควังลงจำพอพักของพะอจะเอามือวางที่ใจและบอกพ่อองค์ว่ารักหลังจากแต่งงานเสร็จทำงานหายแซ่บหายสวยลองวัวเกชัน มาโผล่ทีตอนเจ็ดสิบปีหมดทั้งชีวิตหมดที่ข้ามีหรือสองปีเอาไปเลยมันจะอยู่สองปีหรือเปล่าผมว่าสองวันน่ะพี่น้องกับเปาโลเตือนที่มทีอย่าเป็นอย่างนั้นอดทนทอนหดสมเสมอและจนถึงเลยครับที่สุดของการรับใช้เอเมนแล้วเปาโลพูดต่อครับนี่แหละจนหมายสบชัย เพราะว่าข้าพเจ้ากําลังจะตกเป็นเครื่องบูชาอยู่แล้วถึงเวลาที่ข้าพเจ้าจะจากไปบอโรเตือนทิมุทีเลยลูกเอ้ยทิมุทีถึงเวลาที่พ่อจะจากไปละตกเป็นเครื่องบูชาถ้าพี่น้องเห็นคําว่าตกเป็นเครื่องบูชานะภาษาเดิมใช้คําว่าข้าพเจ้าจะต้องถูกเทลงและเทลงเวลาคนปุโรหิตเนี่ยเขามีการถวายสิ้นเชิงแด่พระเจ้าเขาจะเอาจอกเล่ามาแล้วเทลงไหนครับเทลงพื้น เครื่องหมายการเทลงพืชก็คือยอมถวายทั้งหมดให้กับพระเจ้าเปาโลก็ระล้ อ, อกที่มัีว่าอะไรที่มัีลูกลักชีวิตพ่อเปาโลถวายเวลาให้พระเจ้าแล้วถวายทรัพย์สินเงินทองที่หมดให้พระเจ้าแล้วถวายสีลปยาให้พระเจ้าแล้วความสามารถพร ล, ลังงางก็ถวายพระเจ้าหมดแล้วตอนนี้เหลืออย่างเดียวที่พ่อยังไม่ถวายอย่างสิ้นเชิงก็คืออะไรอะไรครับชีวิตพ่อพ่อพร้อมจะตายเพื่อพระองค์แล้วชีวิต ไห้พระเจ้าพี่น้องขอพระเจ้าเมตตาถวายชีวิตให้พระเจ้าวันหนึ่งต้องถวายผมไปงานศพหลายงานนะครับผมพูดจริงๆนะครับงานศพ บ, บางศพนะเทศยากจริงๆผมเลยขอน้องพี่น้องคิเสเซียนว่าพี่น้องคิเสเซียนครับงานศพท่านอนะ่ะให้นักเทศเทศง่ายหน่อยได้ไหมครับจริงๆผมไปบางศพนะ เด็กวัยรุ่นผู้ชายถูกยิงตายเอาศพมาไว้ที่โบสถ์เชิญพวกเราไปเทศอาจารย์ไปเทศเราก็ต้องถามว่าเด็กวัรุ่นนี้ทำไมถึงตายล่ะเป็นลูกหลานกิเซียนทำไมถึงตายญาติพี่น้องมากกะซิบอาจารย์มันปีนเข้าหามีอาชาวบ้านผัวก็ส่องเอาเอาศพมาไว้ที่โบสถ์เทศเรื่องอะไรครับจะเทศขึ้นสวรรค์ก็เกรงใจพระเจ้า เจ้าเทศมันลงนรกก็เก่งใจเจ้าภาพยากจริงๆพี่น้องขอร้องแทนนักเทศเนดะ้องานสุบท่านให้นักเทศเทศง่ายเนาะเนาะเนาะประกาศได้ที่นี้ถ้าคนไหนไปประกาศข่าวกระเซินทุ่มเทแบบพระจ้าปารูแล้วถูกฆ่าตายห้ามเชิญนักเทศคนอื่นผมเหมาสองคืนออกค่าเข้าต้มด้วยห้ามเชิญนักเทศถ้าคนไหนไปประกาศกระเสรินแล้วถูกฆ่าตายเชิญผม แล้วคุณจะรู้ว่าเทศเพื่อเทศให้กับศพอย่างนี้นะมันขนาดไหนพี่น้องนี่คือฐานความคิดเขาหลังเลือดเพื่อโพกแล้ววันนี้ถึงเราแล้วโอ้โหสุดยอดงานฟื้นฟูนฟนย่อยๆเป็นเอตตายยืมเงินคนไม่จ่ายตายกินเหล้าตับแข็งตายเทศยากจริงๆพี่น้องถ้า ง, งานศพเปาโลผมเทศง่ายนะเพราะเปาโลทาไมครับทั้งชีวิตถวายให้แดกใครแด่พระเจ้า พร้อมแล้วพ่อพร้อมจะถวายสิ้นเชิญเด็กพระเจ้าแล้วแล้วปารูพูดต่อครับข้าพระเจ้าได้ต่อสู้ย่าเต็มกําลังแล้วแม่ภาษาไทยใช้คำว่าต่อสู้อย่างเต็มที่เต็มกำลังอต้องพูดนิดนึงนะครับภาษาไทยแปลก็ยังไม่ได้อารมณ์เหมือนภาษาจีนใช่ไหมครับอาจารย์จเจริญ น, นะครับภาษาจีนแปลว่าอะไรครับหน้าไม่เห่็วแต่จั่ง我已经打过了หน้าไม่เห็วแต่จัง่ง我วเ打过了 ภาษาจีนมันถึงพิกถึงขิงจริงๆมันหมายถึงว่าข้าพเจ้าได้ทำสงรามที่งดงามถวายแด่พระเจ้าในโลกใบนี้ข้าพเจ้าเปาโลได้ทำสงรามอย่างงดงามสมศักดิ์ศรีให้กับใครครับให้แก่พระเจ้าภาษาอังกฤษก็แปลมัน I อ Have fought a good fight <c oughs> ใช่ไหมใช่คุณเคยดูต่อยมวยไหมต่อยมวยไมท่านนักมวยคนไหนนะครับต่อยโยแอยะ <c oughs> กรรมาการจะเข้าไปตรงกลางแล้วทาไมครับ แก yeah. แล้วประกาศว่าอะไรนเนาว่าอะไรดูติการชกมวยคนนี้ชกไปสมศักดิ์ศรีนี่ก็คือมวยที่มันสมศักดิ์ศรีแต่เปาโลวงไม่ใช่เป่าล้วงไงลูกเถอที่บางทีพ่อถวายชื่นพระเจ้าแหละสงครามที่พระเจ้ามอบให้สงครามที่พระเจ้ามอบให้พ่อพ่อทําสงครามอย่างงดงามถวาพระเจ้าการชกที่ทําไมครับดูเดือดพ่อทําไมชกอย่างเต็มที่ละ่ะ ครบที่สุ้มศักดิ์ศรีด้วยอกูดไฟท์ผมถามพี่น้องหน่อยปาโลเคยถูกน็อกไหมปอล์โลเคยถูกน็อกไหมครับเวลาชกเคยไม่เคยเอามีเคยกับไม่เคยห้าสห้าเคยปอโลพูดในหนึ่งที่บทที่บที่สว่าไงบทที่สองที่บสว่าไงพ่อเคยชกแล้วข้อเคยถูกน็อกแต่ไม่ใช่น็อกเอาน็อกดาวพี่น้องพูดตามผมน็อกดาวไม่ใช่น็อกเอาคุณเข้าใจน็อกดาวน์ไหมครับ เปาโลถูกต่อยลม้มลงอะ่ะพอถูกตบมล้มปุ๊บกรรมการนับอะไรครับหนึ่งสองมสี่หเจปดถ้าเป็นพวกเราถูกลม้มลงเป็นไงครับแต่เปาโลไม่ใช่ลุกขึ้นคนของพระเจ้าถูกนับ8เปาโลทําไมครับลุกหนึ่งสสี่ห้าเฮ้จลุกขึ้นมาต่อสุดท้ายเปาโลสู้อย่างสมศักดิ์ศ ร, รษษีแล้วชนะด้วยไฟนั้นพี่น้องเปาโลต่อสู้อย่างเต็มกำลัง สมศักดิ์ศรีในการทำสงครามและต่อยเพื่อพระเจ้าตอนนี้คุณดูครับโอโลโบอกเลยครับข้าพ ร, ระเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุดแล้วภาษาไทยใช้คําว่าแข่งขันแต่ภาษาจีนภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาอังกฤ ษ, าก ภ, าษากภาษาจีนใช้คาว่าสัวอ่ตวตะตังเผ่าตัลลูหัวจริงเผ่าจิ้นเลยหมายถึงว่าเส้นทางที่พระเจ้าให้แก่เราเส้นทางที่พระเจ้าให้แก่เปาโลวิง่งเปาโลวิ่งจนถึงอะไรครับเส้นไทยไม่ต้องแข่งกับคนอื่นเพราะว่าเส้นทางแต่ละคนนั้นต่างกัน ปีนี้ผมอายุ56ผมวิ่งไปแล้ว56ปีบางท่านอยู่ที่นี่70็กว่าบางท่าน80กว่าท่านก็ยังวิ่งอยู่เพราะเส้นทางที่พระเจ้ากาหนดท่านวิ่งยังไม่จบจริงไม่จริงวัยรุ่นที่นี่22 23ปีท่านก็วิ่งมาแล้ว22 23ปีท่านยืงต้องวิ่งต่อไปพี่น้องครับถึงแม้ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะวิ่งได้อีกกี่ปีพระเจ้าให้เส้นทางเรายาวนานขนาดไหนแต่เส้นทางนี้เปาโลหนุนใจที่มัธยีลูกเอ๋ยเส้นทางนี้นะถวายชีีวใ้้พระเจเจาาสนนทงน้นะ สู้ให้่อมอย่างสมศักดิ์ศีและบโรพูดในสุดท้ายเลยครับข้าพเจ้าเัก้ษาความเชื่อไว้แล้วภาษาจีนบอกว่าส่วนสิ้นเเต้าหัวจริงโซจู้เหรอหมายถึงอะไรครับเส้นทางที่พระเจ้าให้เราวิ่งวิ่งให้เต็มที่วิ่งให้ถึงเส้นชัยในเส้นทางนี้ที่วิ่งไปนี้มีอะไรที่ต้องรักษาคําสั่งพระเจ้ารักษาซะมีอะไรที่ต้องทําทําซะมีอะไรที่พระเจ้าสั่งไม่อย่ทําก็อย่าทําเส้นทางนี้ แล้วสู้อย่างสมศรีในการประกาศข่าวประเสริฐในการสร้างขิ้นจักวงเปาโลเตือนที่บททีอย่างนี้แล้วเปาโลมาจบตรงนี้ครับสองที่มทีบทที่สข้อแต่อแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้าซึ่งองค์พระผู้เจ้าพิพากษาชอบธรรมจะทรงประทานเป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้นและไม่ใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้นแต่จะทรงประทานแก่คนรับวงที่ยินดีในการเสด็จมาของล่ะพระองค์เปาโลบอกว่าเมื่อคนหนึ่งต่อสู้อย่างสมศรีถวายชื่อที่ข้าพเจ้า สมศักดิ์ศรีเลยแล้วรักษาศีลพระเจ้าสักไว้ทุกอย่างวิ่งจนถึงเส้นไถ่วันนั้นมงกุฎแห่งความชอบธรรมจะเป็นของใครของเขาพี่น้องครับท่านอยากได้มงกุฎไหมเมื่อวานที่ผมเทศนาไปแล้วมงกุฎเปาโลบอกว่าพวกคนเหล่า น, นั้นที่วิ่งแข่งมาราธอนนะเขาวิ่งแข่งไม่ได้มงกุฎล่วงเลยแต่เราวิ่งแข่งไม่ได้มงกุฎที่ทําไมครับถาวรเป็นนิตคนวิ่งแข่งเขาไม่ต้องการมงกุฎที่ร่วงเลยหรอกแต่เขาต้องการอะไรเสียววินาทีนั้น เพราะว่าคนที่วิ่งแข่งสมัยของโรมันเนี่ยถ้าใครได้ที่หนึ่งนะใครวิ่งแข่งเข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งนะซีซ่าจะเป็นคนใส่อะไรครับมงกุฎนั้นให้มันเป็นกติยศที่หาที่เปรียบไม่ได้ในโลกใบนี้เช่นเดียวกันทุกคนที่ทำไมทําตามกติกาวิ่งตามทางของพระเจ้ากําหนดอย่างเต็มที่วันหนึ่งพระเอซคริตจะเป็นผู้ทําไมครับสวมมงกุฎให้ถ้าคนไหนไม่ทําผมก็เสียเหมือนกันนะบางทีพรเยสคริต์อาจจะตัดนี้ก็ได้ นี่ใค ร, ใใครไม่รู้จักพี่น้องพูดตามผมคนที่น่าสงสารที่สุดในโลกในพระคัมภีร์คุณรู้ไหมคือใครจำเอาไว้นะครับจำไปต่อดชีวิตนะครับคนที่น่าสงสารที่สุดในโลกที่บันทึกอยู่ในพระคัมภีรก็คือลูกลูกของเซวาลูกลูกของเซวาเห็นเปาโลขับผีในนามพระเยซูแล้วเขาก็ทําไมด้วย ไปขับผีในนามพระเยซูด้วยพอขับผีในนามพระเยซูปุบ๊บผีมันพูดประโยคหนึงพูดว่าอะไรครับพูดว่าอะไรครับพระเยซูข้าพระเจ้าก็คุณเคยเปาโลก็รู้จักแต่พวกเองเป็นใครดังนั้นคนที่น่าสงสารที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับพระเจ้าก็ไม่รู้จักผีก็ยังไม่รู้จักด้วยพวกนี้น่าสงสารที่สุดพี่น้องวิ่งให้เต็มที่พระเจ้ารู้จักผีก็รู้จัก เราต้องต่อสู้กับมันเอเมนเอาละพี่น้องเปาโลหนุนใจที่มาทีว่าวิ่งจนที่สุดนะวันหนึ่งบนสวรรค์เราจะมีรางวัลพี่น้องครับเจอไหมประโยคนี้อ่านว่าอะไรครับ5นาทีในเป็นรีสวรรค์ตอนที่ผมเชื่อพระเยซูใหม่ๆมีอาจารย์ฮ่องกงท่านเป็นพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณผมท่านมาเทศนาภาษาจีนและผมแปลท่านพูดประโยคนึงประโยคนี้นะมันฝังอยู่ในสมองผมเลย ท่านพูดว่าอะไรรู้ไหมครับท่านบอกว่าคริสเตียนคนหนึ่งทุ่มเทกับงานพระเจ้าเอาพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจสุดความคิดสุดกําลังเมื่อเขาเลือกทางนี้นะเป็นทางที่แคบแบกขังเขนชีวิตเขาไม่ได้ง่ายชีวิตเขาไม่ได้ง่ายเขาจะลําบากหลายสิ่งหลายอย่างเขาอยู่ในโลกนี้อาจจะท่องถูกเก็บชังถูกต่อต้านถูกคมเหงแต่คริสเตียนเหล่านี้นะใช้ชีวิตในโลกนี้อาจจะลําบากอย่างเต็มที่ แต่เมื่อขึ้นสวรรค์เพียงหนาทีเขาจะพูดประโยคหนึ่งพูดว่าอะไรรู้ไหมครับคุม้มอาจารย์ก็บอกว่าคนเหล่านี้ที่เที่ยมเต็มที่กับพระเจ้าขึ้นสวรรค์เพียงห้านาทีนะห้านาทีนั้นชดใช้สิ่งที่เขาลำบากเพื่อองค์พระเยซูคริสต์ทั้งหมดในโลกเลยแค่นาทีก็ชดใช้ละเลยห้านาทีเขาเรียกว่าเรียกว่ากําไรพี่น้องท่านหลุนใจเราให้วิ่งต่อ ดูในโลกนี้ลําบากยากเย็นแสนเข็นแต่ขอวิ่งทางพระเจ้าเพราะว่าแรกไม่ได้กับศักดิ์ศรีถาวรบนแผ่นดินสวรรค์เห็นไหมชีวิตที่แสนสั้นอนุชนร้องแรกไม่ได้โลกนี้เป็นแค่ทางเดินชั่วคราวเป็นทางเดินทดสอบว่าเราของจริงไหมวันนั้นตั้งหากทินิลันคุมจริงๆเรากำลังเอาสิ่งที่ชั่วคราวไปลงทุนกับโลกนิรันเซงลีอย่างนี้นะกำไรเห็นเห็นจริงไม่จริงดังนั้นพี่น้องกับวิ่งให้เต็มที่วิ่งให้เต็มที่เอเมน โอเคผมเสร็จคำนำต่อไปผมจะเริ่มเทศหัวข้อที่ผมจะเทศนาในเช้าวันนี้นะครับสวรรค์มีน้ำตาไหมสวรรค์มีน้าตาไหมมีไม่มีไม่มีบางคนบอกไม่มีเอามาดูกันสวรรค์มีน้ำตาไหม พระเจ้าจะทรงเช็ดน้ําตาทุกๆหยดจากตาของเขาความตายจะไม่มีอีกต่อไปการคขค่มขวัญการาร้องไห้และการจะปวดจะไม่มีอีกต่อไปสวรรค์มีน้ําตาไหมมีไม่มีเอาที่ไหนเช็ดท่านดีวิเคราะห์พระคัมภีร์ยังไงบนสวรรค์มีน้ําตาไหมครับมีถ้าไม่มีจะเอาที่ไหนเช็ดล่ะพระเจ้าที่ไหนเช็ดดังนั้นระสวรรค์มีอะไรครับมีน้าําตาแต่บิณนองครับเมื่อท่านศึกษาพรวจะนะของพระเจ้าเลื่อนี้ หลักการมันมีแบบนี้ท่านเห็นชัดว่าคนเหล่านั้นที่ดําเนินตามทางของพระเจ้าเหมือนอาจารย์บาโลทุ่มเทกับพระเจ้าขึ้นสวรรค์ไม่ไรนะเขาต้องมีอะไรครับน้ําตานี่คือเจประการที่อยู่ในหลักพระคัมภีร์ว่าขึ้นสวรรค์จะต้องมีน้าําตาแน่นอนเจประการด้วยกันหนึ่งไมบนสวรรค์มีน้ําตาเพราะว่าคุณจะได้ค้นพบเห็นว่าตัวเองนั้นยืนอยู่ในแผ่นดินอะไรครับสวรรค์ที่เป็นดินด น, นพี่น้องครับลองจินตาการดู วันนี้ท่านจากรถนี้ไปท่านหลับตาร่างกายท่านหลับตาลงไปรวมหายใจเฮือกสุดท้ายออกแล้วท่านลืมตายครั้งหนึ่งพระกัมพีไม่เรียกคิดเสียนว่าตายนะครับผมพูดอีกครั้งนะพระกัมพีไม่เรียกคิดเสียนว่าตายพระกัมพีเรียกคิดเสียนว่าทำไมครับนอนหลับไม่มีใครกลัวการนอนหลับดังนั้นคิดเสียนไม่กลัวตายเพราะการตายคือการอะไรนอนหลับ หลายคนไม่กลัวการนอนหลับกลัวในเรื่องนอนไม่หลับจริงไม่จริงวันหนึ่งเมื่อท่านหลับตาในโลกนี้ครั้งสุดท้ายวิญญาณท่านออกจากร่างมุ่งเข้าไปสู่แผนดินสวรรค์อยู่ในร่างกายใหม่พุ่แล้วท่านลืมตายครั้งหนึ่งคนพบว่าตัวเองอยู่อยู่ในแผนดินสวรรค์คุณร้องไม่ร้องไง้ร้องไม่ร้องให้ <c oughs> ดีใจไม่ดีใจ แล้วเวลาดีใจคุณทำยังไงเออขึ้นสวรรค์แล้วเว้ยอย่างนี้ล่ะครับอย่างนี้ลรือเปครับผมกล้าฟันธงเลยผมก็ทำด้วยขึ้นสวรรค์เมื่อไหร่ น, นะผมต้องกระโดดเลยร้อนเอ้ารอนเอ้าแหกปากตะกุนดีใจอ่ะคุณรู้ไหมผมร้องเพลงนี้ที่ไรซึ้งเลยนะครั้งแรกร้องเนี่ยร้องเพลงนี้ร้องให้เลยนะ ข้าเป็นแคกเมืองสัญจรไปมาแล้วอีกไม่นานจะกลับเมืองฟ้าโลกนี้ข้ามีแต่ความเวว่าไม่สุขอุราเหมือนข้าอยู่เมืองวิไลยอยากกลับทินทานวิมานเมืองแมนเพราะช่างสุขแสนโอแดนพระเยหัวสิ้นทุกกันทีสิ้นกันเถิดนะเอาไว้ไปฟังต่อแล้วกันพี่น้องครับ จะดีใจเลยครับเพราะนี่คนพบว่าตัวเองยืนอยู่ที่ไหนพนันธสวรรค์นี่คืออย่างแรกที่เรงให้เพราะคนพบว่าตัวเองอยู่บนพนันธสวรรค์อย่างที่สองที่คุณต้องลองให้คุณจะมีอะไรร่างกายใหม่คุณไม่ดีใจเลยครับคุณมีร่างกายใหม่ดีไมด่ดีใจดีใจผมมีค น, นึงเทศะนาอยู่คิจักหนึ่งอมมาม่าคนหนึ่งอายุเจ็สิกว่าดึงผมไปไปหลบข้างๆมุมนิดหนึ่งแล้วอา ม, ม่าก็พูดอย่างนี้อาจัง หือไม่ตรวจเสียนะหรือไม่ตรวจเสียนะอย่าเสียงดังนะว่าอายเขานี่มีอะไรครับอาม่าอาจารย์หรือย่าอย่าเสียงดังนะว่าอาม่าขอถามนิดหน่อยเห็นหรือตอบเก่งว่าอยากถามบ้างถามอะไรครับอาม่าอาจารย์อาม่าเนี่ยเป็นหญิงไม่มาสี่สิแล้วสายสิกว่าปีแล้วตอนอาม่า30กว่าสามีอาม่าเป็นผู้ปกครองกิดจักอีเป็นมะเร็งตายอีแก่กว่าอาม่าสิกว่าปีอีเป็นมะเร็งตายทิ้งลูกให้อาม่าเลี้ยงแล้วอาม่าก็เลี้ยงลูกไม่มีผัวใหม่จนเดี๋ยวเนี้นะ ตอนนี้อา마่เจ็กว่าเลี้ยวเจกว่าเลี้วอา마่อยากถามอาจารย์นิดนึงอามาอยากถามอะไรครับดูอย่าเสียงดังนะอ้วัยเขาเดี๋ยวอามา่ขึ้นสวรรค์แล้วอะผัวอามาจะจําอ้วได้ไหมอกงอจะจาอามาได้ไหมโออามา่ทำไมถามงี้ล่ะอาจารย์เน่ยเรื่องกันบ้าตอนที่อากงตายอ่ะอีสี่สกว่าอามายัง30ิอ่ะยังแต่งตึงอ่ะแต่งตึงอ่ะสากว่าดูดูตรงนี้นี่ ผิวเนี่ยเป็นเคเซีหมดเรี่ยวอื้อะอากองจะจำำาําอาม่าได้ไหมผมก็บอกว่าไงอมาม่าครับอากองจําได้แน่นอนนะเพราะว่าบนสวรรค์เนี่ยไม่มีเด็กไม่มีคนแก่พระกัมพีบอกผมก็เปิดพระกมพีให้อมาม่าดูครับอิสยาหบที่หาข้อ 17-20 บนสวรรค์เนี่ยจะเหมือนสวนเอเดนอมาม่าไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไม่มีเด็กน้อยไม่มีอะไรครับผู้ใหญ่จะเหมือนสวนเอเดน เหมือนตอนที่พระเจ้าสร้างอดัมเอวาพระเจ้าสร้างให้เป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่สร้างเป็นอะไรครับเป็นหนุ่มสาวไม่ใช่เป็นเด็กแล้วถ้าเขาไม่ทาบาปนะเขาคงสภาพหนุ่มสาวเป็นนิติรันดังนั้นหนุ่มสาวเนี่ยคือสภาพที่ทุกคนต้องการจริงไม่จริงครับจริงเด็กน้อยก็อยากเป็นอะไรเด็กน้อยอยากเป็นอะไรหนุ่มสาวอยากเป็นหนุ่มสาวแล้วผู้ใหญ่อยากเป็นอะไรคนแก่อยากเป็นอะไรไม่ใช่เป็นเด็กเท่าทารก ผู้ใหญ่ก็อยากเป็นอะไรครับเป็นหนุ่มสาวเป็นวัยที่ทําไหมครับดีที่สุดดีที่สุดมันเป็นวัยที่สุดอาม่าดังนั้นอาม่าไม่ต้องกลัวอกงเนี่ยเป็นหนุ่มอาม่าเป็นสาวจํากันแน่นอนแล้วผมบอกนะอาม่านะพระกัมพีบอกว่าสิ่งบกพร่องจะหมดไปอย่างผมเนี่ยฟันไม่สวยวันนั้นบนสวรรค์นนะผมก็จะมีฟันที่สวยงามบางคนนะอาม่าเขาเป็นโรคเลือนพี่น้องโรคเลือนเขามือกุดจมูกบี้วันนั้นอาม่าก็จะเห็นเขามีอะไรมีจมูกมีมือจะไหมครับบางคน อ้นล่ำดำสิวก็เตี้ยๆนะครับอ้นล่ำดำสิวนะครับวันนั้นก็เห็นเขาหุ่นทำไมครับโอ้โหสวยเลยแต่ยังรู้ว่าเป็นคนนี้อยู่ยังมีเขาว่าเป็นคนนี้อยู่ผมก็บอกอามาเลยอะมาอะ ม, มาเคยไปงานแต่งงานเดี๋ยวนี้ไหมเขามีภาพพรีพรเวนติ้งถ่ายอติดหน้าประตูอะมา เ, เห็นไหมเออเคยเห็นก็ เ, เห็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวสวยกว่าตัวจริงหมสวยสวยกว่าสวยกว่านี่ผมขออนุญาตลูกศิษย์ผมนะครับเอามาเปิดเผยนิดนึง เดือนพฤจกายนปีที่แล้วเนี่ยผมเล่นเฟซบุ๊อยู่ใส่ข้อมูลอยู่มีอินบ็อกซ์เข้ามาส่งภาพหนึ่งให้ผมภาพนี้ครับเขาส่งภาพนี้ให้ผมแล้วก็มีข้อความปรากฏมาบอกว่าอาจารย์อธิษฐานเผื่อหนูด้วยหนูแต่งงานแล้วผมเรียกภรรยามามนิมา น, มานิใครวะ ผมไม่รู้ครับให้ใ ค, ใครใครใครดูชื่อ Facebook ก็ไม่รู้สุดตานหลังถึงร่วมไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อ f a c e b o o อ่ะเลยไม่รู้ใครใครวะก็สวยดีวะใครวะลูกศิษย์เราเหรอวะเนี่ยเรามีลูกศิษย์หน้าตา่างี้เหรอก็เลยคิกเข้าไปในโปรไฟล์เขาอุ้ยขอโทษนพี่เองขอโทษจริงพอผมปุ๊บโอ้ยอโบ ไม่ได้เประปาชญ์นะน้องก็น่ารักเป็นวุฒิชัยพระเจ้าแต่คุณเห็นไหมครับเห็นภาพบนสวรรค์ยังครับเพราะจะเห็นเข้ารางไหมเห็นเห็นไหมครับมันจะรีทัชใหม่อ่ะรีทัชใหม่เลยคุณแม่คุณแม่จะมีหุ่นใบนะคุณแม่นะรีทัชเลยแต่ยังรู้ว่าเป็นคุณแม่อยู่เนี่ยมันมีเขาของมันอยู่เข้าใจหรือเปล่าครับเอาม่าว่าไงเอออาจารย์หรืองพูดอย่างนี้ว่ก็สบายใจ และอาม่าว่าไงรู้ไหมอาจารย์อ้วถามด้วยหน่อยอ่ะคือตอนนี้อ้วมีปัญหาหนึ่ง้วก็สาวมาหลายปีอ่ะและพระเจ้าจะเอาอ้วสาวตอนไหนวะเอาให้หุ่นอ้วนเนี่ยหน้าส า, สาวสาวตอนไหนอามา่าในเรื่องมากอามา่าผู้หญิงทุกคนมันก็หมดผู้ชายด้วยตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเนะี่ยจะมีเสี่ยววินาทีหนึ่งที่สองกระจกอาม่าสองกระจกไหมตอนสาวสาวสองเดี๋ยวนี้ก็ยังสองตอนอาม่าสองกระจกอ่ะมีเสี่ยวหนึ่งไหมอาม่าทําหน้าอย่างนี้ตอนเป็นสาวสาวนะ มีไหมตอนที่อาม่าทําท่าเงี้ยอาม่าจะคิดในใจงี้โอ้ยมุมนี้แหละฉันเลยมุมนี้แหละฉันและมุมเนี้ฉัน <S <S คุณอยากรู้ว่ามุมนี้เป็นยังไงนะคุณสังเกตสาว ๆ, ๆที่เวลามันถ่ายเซลฟี่นั่นแหละมุมสวยที่สุดของเขาแหละตอนที่เขาบอกว่ามุมเนี้ยของฉันมุมเนี้ยของฉันพระเจ้าว่าไงชอบใช่ไหมลูกชอบใช่ไหมลูกเดี๋ยวพ่อจัดเตรียมให้หน้านั้นแนหะมุมนั้นเลยพี่น้องครับอย่างที่สอต้องร้องไห้เพราะเราจะมีอะไรครับ ร่างกายอะไรร้องไม่ร้องร้องไม่ร้องถ้าคุณยังเป็นคนที่แพ้พิการนะแขนด้วนขาด้วนะคุณขึ้นสวรรค์แล้วมีร่างกายใหม่คุณร้องไม่ร้องคุณดูสิครับตอนเนี้ยผมมีจุดเต็มไปหมดเลยคุณรู้ไหมจุดอะไรผมดีใจมากเมื่อเช้าผมนั่งทานข้าวกับคุณหมอศึกษาอาจารย์ศึกษาท่านก็มีจุดท่านเยอะกับผมหน่อย <S <S ไม่ใช่ครับ คนยิวบอกว่าไอ้จุดเนี่ยเขาเรียกว่ากระคนไหนมีจุดเยอะใกล้แล้วผมก็น้อยกว่าท่านเยอะท่านก็เยอะเด็ <laughs> กวัรุ่นบางคนนะมาชี้จุดแล้วบอกอาจารย์เนี่ยอะไรจุดๆเต็มๆอาจารย์เป็นเอชหรือเปล่าเนี้ยที่ไม่ใช่นี่เขาเรียกกระไวตกกระพี่น้องเจปปีที่แล้วนะผมผมผิวบมเดียนมากเดี๋ยวนี้กระขึ้นเต็มเลยจุดๆเต็มเลยวัยรุ่นว่ากันรู้ไหมอาจารย์อยากหายไหมไจุดๆเนี่ยอยากหายทําไง ผมถามมันทำไงบอกไปซื้อโค้ามากินเสิอาจารย์โคลาหายได้ไงวะมันก็บอกอาจารย์ไม่เคยได้ีินหรอโค้าแก้กระหายผู้อุโสอย่าไปเชื่อนะครับอย่าไปเชื่ออื่นๆวันนี้ผิวเรามีแต่กระเหียวเหมือนเค c ีวันหนึ่งไปทีสวรรค์เราจะมีร่างกายใหม่เอเมนร้องไม่ร้องร้องอย่างที่สมครับต้องร้องแน่ๆคุณจะเห็นใครเห็นพะเยสุขิดร้องแน่ๆ วันสิบกว่าปีที่แล้วตอนที่พระบาทสมเด็จรา ย, ยหลวงพระองค์ท่งยังพันธมัยแข็งแรงพระองค์ออกมาเทปพลที่นั่งใช่ไหมครับและให้ประชาชนชื่นชมพระพักปรงใช่ไหมครับทุกคนเห็นเป็นไงครับสระเจริญร้องไห้ร้องไห้คุณเห็นพระบาทสมเด็จ้่หัวคุณยังร้องไห้วันเนินบนสวรรค์คุณเห็นใครเห็นใครครับร้องไม่ร้องไม่ได้สู้ บางคนถามผมอาจารย์บนสวรรค์ตั้งเยอะจะรู้คนไหนคือพระเยซู <laughs> เออก็จริงของเขาที่เขาถามนะจะรู้คนไหนคือพระเยซูผมบอกว่าเอางี้ให้หลักการขึ้นสวรรค์เนี่ยเยอะคุณไม่รู้หรอกคนไหนคืออับบาลฮมัมคนไหนคือเปาโลคนไหนคือโมเสสคนไหนคือโยนาคุณต้องถามไถ่เพราะคุณไม่เคยเห็นจริงไม่จริงแต่มีสองคนเน่ยผมบอกเลยคุณขึ้นสวรรค์ปุ๊ บ, บคุณรู้แลว้วคนนี้คือใครมีสองคนคนแรกคืออาดัมอาดัมเนี่ยลักษณะง่ายมาก คุณเจอคนไหนขอให้เขาเปิดสะดือดูถ้าไม่มีสะดืออันนี้อาดัมเพราะอาดัมไม่ได้เกิดจากท้องแม่อย่างที่สองอาดัมเวลาเดินนะเดินท่านี้กระดูกแกหายไปซี่หนึ่งซี่ใหญ่ด้วยอย่างที่สามอาดัมนี่สังเกตง่ายคอหอยใหญ่กว่าคนอื่นเพราะคนยิวบอกว่าตอนที่อาดัมกินผลไม้คนยิวมีเรื่องเล่าบอกว่าพระสุรเสียงพระเจ้าดังมาจากฟ้าว่าอาดัมกินอะไรอาดัมไม่กล้าคืนติดคอยนี่ เขาได้เรียกว่าแอปเปิลอดัมพวกเราผู้ชายก็จะมีเล็กหน่อยเพราะเป็นลูกหลานอาดัมผู้หญิงไม่มีเพราะกืนเข้าไปแล้วเข้าใจหรือเปล่าครับอันนี้ตลกอย่างที่สองบุคคลที่สองที่รู้ชัดเจนว่าคือใครคือองค์พระเยซูพี่น้องสังเกตดีนะครับคนที่เป็นขึ้นจากความตายนะจะมีรูปร่างใหม่สิ่งที่บกพร่องจะหมดไปแต่มีพระเยซูก็เท่านั้นที่บงเป็นขึ้นจากความตายแล้วยังมีรอยอะไร ตะปูและรอยแผลที่สี่ข้างคนไหนไม่มีไม่ใช่จากนั้นพี่น้องอย่างที่สามต้องร้องให้เพราะจะได้เห็นใครครับพระเยซูิ์ผู้ที่เราไม่ได้เคยเห็นเลยในโลกนี้เราจะได้เห็นพระองค์อย่างเต็มตาด้วยตาของเราเองร้องไม่ร้องให้อย่างที่สี่คุณต้องร้องให้แน่เพราะว่าคุณจะยินพระองค์เรียกอะไรพระองค์จะเรียกชื่อคนพองค์ทีละคนทีละคนให้ออกมาพี่น้องครับลองคิดดู ตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในหลวงพระองค์ประทับอยู่ที่พระที่นั่งอ น, นันตมัชฌิมสม า, าคมนะแล้วก็ประชาชนทําไมครับไล่ล้อมอย่างนี้และถ้าเกิดพระสมมุติว่าพระบาสมเด็จพระรอยู่รู้จักชื่อพวกเราเรียกเราออกมาแต่มติชื่อสมศรีเงี้ยสมศรีออกมาสมศรีออกมาทุกคนก็มองสมศรีใครว่าสมศรีใครว่าแล้วคุณคิดดูคนที่สุดสมศรีผู้หญิงคนที่สมดศรีร้องไปร้องให้สมศรีที่อยู่วัฒนานะออกมา ร้องไม่ร้องร้องไม่ร้องครับร้องไม่ร้องร้องแน่นอนคุณลองคิดดูขอโทษนะครับคุณสมศรีเดินออกมานะแล้วคนอยู่ข้างหลังเต็ไมไปหมดแล้วก็เดินออกมาเนี่ยคนตองมือร้องไม่ร้องร้องแน่นอนครับเพราะทไมาครับพระบาทสมเด็จพัวรู้จักชื่อแล้วคุณคิดดูสิวันนั้นเป็นในสวรรค์ุณจะไม่ร้องเหรอเมื่อคุณยืนต่อหน้าพระเจ้าพระองค์เรียกทีละคนสมศรี ออกมาโอ้โหประชากรของพระเจ้าทั้งหมดจะตบมือแซ่สองให้เกียรติคุณคุณจะเดินไปหาใครพระเจ้าร้องไม่ร้องไงพระเจ้ารู้จักชื่อเราร้องไม่ร้องถ้าโลกไปนี้นะถ้าประเทศไทยนะพ่อป่าสมเด็จเจ้าอยู่ในหลวงรู้จักชื่อผมนายดิกรคุณว่าผมเดินในเมืองไทยเดินท่ายังไงนี่กษัตริย์เดือนกษัตริย์องค์พิเศษรู้จักชื่อเรา เราควรจะเดินยังไงเดินยังไงด้วยความภาคภูมิใจใช่ไหมครับ <im it> พระ อ, องค์รู้จักชื่อเราวันเป็นสวรรค์ร้องแน่ๆอย่างที่ส <im it> ี่เพราะว่าทําไมพระองค์เรียกชื่อเราอย่างที่ห้าที่ต้องร้องเดาได้ไหมคืออะไรอะไรครับพระเยสุกิต จ, จะส่งทําไมเช็ดน้ําตาทุกๆหยดหลังจากเรียกสมศรีมาแล้ววิ่งปุ๊บคุณว่าคุณสมศรีเนี่ย เดินวิ่งหรือคานเอาใหม่ให้สามเรือเลือกเดินวิ่งหรือคานคุณว่าวิ่งเข้าไปหาวิสิตหรือเดินหรือคานคลานเลครับนี่ผม อ, อยากจะคลานงันแต่ไม่เอาให้หลังให้คลานคลานะครับคลานคลานคานคา น, านพอคานก็ไปถึงองค์พระเยซูคริสต์พะ อ, องค์จะทําไมเวลาเช็ดน้ำต า, มตามไม่ได้เช็ดอย่างนี้นะครับคุณนั่งอยู่นั้นก็เช็ดอย่างนี้มันต้องเช็ดอะไรครับ ใกล้ใช่ัหมครับต้องเช็ดใกล้ใช่ไ ใ, ใ, ใช่ใช <im it> พี่น้องฟังรู้เรื่องป่กครับวเวลาเช็ดน้ำตาต้องเช็ดใกล้ ใ, ลใช่ัหมครับท่านอยู่นั่นนั้นผมเช็ดได้ไหมมันต้องเข้ามาใกล้ๆก่อนใช่ไหมครับตอนนี้เช็ดน้ำตาทุกทุกหยดเนี่ยขานเข้ามาเนี่ยเวลาผมเช็ดเช็ดยังไงขอโทษนะครับพระองค์ดั้งประทับที่นี่พราอศักดสีวิ่งาคานเข้ามาใกล้ผมเช็ดยังไงอย่างนี้หรือเปล่าครับขอโทษขอโทษย่เข้ามาใกล้ย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้รูกรังเกียังเกีย เช่านี้เปล่าพงเช็ด่านี้เปล่าไม่เช็ดน้ําตาทุกๆหย ด, ดแสดงว่าร้องให้มากหรือน้อยมากหรือน้อยฟันทงคุณสมศรีเมื่อไปถึงหน้าพระพักร์พระเจ้าพิเศษตัวต่ตั ว, ตวพระองค์จะอุ้มคุณสมศรีมานั่งไหนนั่งไหนครับขอโทษก็ยกหน่อยนั่งไหนครับนั่งตักแล้วถ้าคุณสมศรีนั่งอยู่บนตักพริเศษอะไรเกิดขึ้นคุณนั่งอยู่บนตักพิเศษอะไรเกิดขึ้น ผมนายที่ก่อนนั่งนตักพรเยซอะไรเกิดขึ้นพระเยซเสร็จแน่แน่กอดร้องเลยแล้วผมจะพูดว่าอะไรหยุดร้องลูกหยุดร้องเหนื่อยไหมลูกอยู่คิดจักรัฒนาเหนื่อยไหมรับใช้เหนื่อยไหมลูก เถียงกับผัวเถียงกับเมียเอยไหมลูกเป็น ไ, ไงกุ้มใจลูลกๆไห ม, ไมไลูกก็ดื้จะป่วยร่างกายหมดเลยลูกฉัป่วยด้วยหมดแล้วลูกไม่มีการเจ็บป่วยไม่มีการข้ามขวดละทุกอย่างผ่านไป ล, ลูกจริงไม่จริงแต่ขอฝากไปบอกคุณสมศรีด้วยนะเวลาร้องอ่ะร้องอย่านานเกินไปคุณกำลังต่อคิวอยู่ พงจะค่อยๆเช็ดน้าตาทุกๆอะไรครับทุกๆจุดจากต่างเขาเวลาเช็ดนะตอนแรกเฮสแล้วมีสะอื้นด้วยขอบอกคุณสมศรีอย่ามีก๊อกสองคนต่อคิวเย่าเราเข้าใจไหมเข้าใจไหมก็พอสังเข็นะครับพง์จะเช็ดน้ําตาทุกจุดนี่คืออย่างที่หที่ต้งองร้องอย่างที่หที่ต้องร้องคืออะไรท่านจะเห็นว่าสิ่งที่ท่านทําเพื่อองค์พระเยซูคริส ในที่รับที่แจ้งในโลกใบนี้ทั้งมีคนเห็นไม่มีคนเห็นแต่ถ้าทําเพื่อความรักที่มาจากพระเจ้าวันนั้นทุกอย่างจะต้องทําไมปรากฏออกมาเปาโลพูดเรื่องนี้ชัดเจนถ้าเปาโลยืนอยู่ตรงนั้นนะเปาโลนะรับคำชมจากพระเจ้ามากสิ่งที่เปาโลทําเพื่อองค์พระเจ้ามาสองวันปีแล้วมีผลไหมครับมีผลไหมครับพวกเราก็คือหนึ่งในผลงานของใครอา จ, จารย์เปาโล เพื่อจะบอกว่าสิ่งที่เราทำเพื่ออค์พระเจ้าทุกอย่างถ้ามาจากพระเจ้าทําด้วยความรักความจริงจากพระเจ้าไม่มีสักสิ่งเดียวเลยที่ไร้ผลคุณอ่านเลยครับเหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าท่านจงตั้งมั่นอยู่อย่าวันไหวจงปฏิบัติงานขององค์พระเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาท่านทั้งหลายพึงรู้ว่าโดยองค์พระผูเจ้าการของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หาไม่ได้เมื่อคนหนึ่งทุ่มเทกับพระเจ้าอยู่บนความจริงความรักความบริสุทธิ์ของพระเจ้า ถึงแม้เขาทาในโลกนี้ไม่มีใครเห็นแต่พระเจ้าทำไมไว้หมดจาม่าเลยหมดคุณจะเห็นว่าสิ่งที่คุณทําเพื่อพระเจ้าในโลกใบ น, นี้ทุกอย่างทำไมครับปรากฏออกมาเพาสิตจะบอกเลยนี่คือคนเหล่านั้นที่รับพระพรจากเจ้าเพราะเจ้ารับใช้เรา อ, อย่างที่หกต้องร้องไห้เพราะเห็นว่าสิ่งที่เราทําเพื่อพระเจ้าในโลกนี้ไม่ไร้ผลเลยมีผลทั้งสิ่งเอเมนสุดท้ายครับที่ต้องร้องไห้คืออะไรครับอะไรครับ คุณจะได้ค้นพบหรือได้พบกับคนที่คุณรักและคนที่ทำไมรักคุณผมตื่นเต้นมากที่ได้ขึ้นสวรรค์เพราะว่าผมจะได้รู้จักอับราฮัมเศโนอาโมเสโยชววดาเนียลเพื่อนสามคนชาดาเนียลชัดรัดเปชาติเอเวเดโกผมจะสัมภาษณ์เขาาอยู่ในไฟรู้สึกยังไงบ้างตอนที่ไฟลุกเจ็ดอย่า ง, อย า, งยา อ, ยาอยากรู้จริงๆโยนาอยู่ในปลาพันไหนอยากรู้จริงๆ ผมจะถามอาดัมเอวาว่าสมัยนั้นมีเดือเสาไหมเรือเสาเลี้ยงยังไงโอ้ยโนอาเอาเรือเสาขึ้นเรือหรือเปล่าแล้วโนอาเอาปลาขึ้นเรือไหมคงไม่เอาปลาขึ้นเรือนะครับผมจะสนุกมากผมจะเจอทําไมครับบรรดาคนที่เป็นที่ผมชื่นชมในพระมพีจะเห็นเขาตัวอะไรครับเป็นๆร้องไปร้องให้จะยิ่งร้องกันนั่นอีกคุณจะได้เห็นคนที่คุณรักและคนที่รักคุณ ที่พัดพากจากกันในโลกนี้คุณจะได้สวมกอดเขาอีกครั้งหนึ่งอาจารย์ครับขอช่วยฉายคลิปวิดีโอหน่อยได้ไหมครับขอเสียงด้วยนะครับอยากให้ดูตรงนี้นิดเดียวพอนิดเดียวพอให้ให้มีความรู้สึกนี้บ้างนะครับคนที่จากกันไปนานเนี่ยได้เจอกันจะเป็นยังไง I'm I elementary My 10-years-old read because and dad school go to of ได้ได้ความรู้สึกนั้นไหมครับขึ้นสวรรค์คุณต้องร้องไห้แน่คุณจะเห็นคนที่รักคุณคนที่คุณรักที่พัดพากจากกันชั่วคราวในโลกใบนี้จะได้สวมกอดอีกครั้งหนึ่ง26สกปีที่แล้วสองเดือนผมเสียทั้งพ่อทั้งแม่พ่อผมนอนอยู่ที่เตียงแม่ผมนอนอยู่ที่เตียงคนไข้สองเดือนทั้งสองคนเลยผมรูปศีรษะท่านและพูดประโยคสองคนผมพูดเหมือนกันเลยอปาแม่ไปรอผมบนสวรรค์ เดี๋ยวผมตามไปเดี๋ยวผมตามไปเดี๋ยวขึ้นสวรรค์ผมจะได้กอดท่านอีกครั้งหนึง่งมันมีความสุขจริงครับผมมีเพื่อนผู้รับใช้ผมมีเพื่อนพี่น้องคริสเตียนที่รักกันจากเราไปก่อนวันหนึ่งจะทำไมได้สวมกอดเขาผมนุ่นใจพี่น้องนะครับที่ยังไม่มีพี่น้องญาติพี่น้องมาเป็นคริสเตียนประกาศให้แก่เขานะครับ ให้เรามีหวังสุดท้ายครับมีคนถามผมอย่างนี้อาจารย์เราติดต่อกับคนไทยได้ไหมคุยกับคนไทยได้ไหมไม่มีทางเลยครับไม่มีทางแต่ส่งเมสเซจได้ส่งข่าวสารได้ส่งยังไงอาจารย์ sfs ไปเหรอไม่ครับผมไม่บ้าเหมือนกับโทรจากราวารมาถึงเมืองไทยได้ผมไม่ต้งถ้าอยากส่งเมสเซจให้กับคนที่เรารักที่จากเราไปก่อน อธิษฐานกับพระเยซูบอกคนที่เรารักบอกว่ารอผมสักพักนะคุณพ่อคุณแม่ครับรอผมสักพักนะเดี๋ยวผมตามไปพระเยซูรับรองบอกแน่นอนองค์ฟังเราอยู่เอเมนขอพระเจ้าอวยพรพระคัมภีร์เจ้าในเช้าวันนี้ร่วมจันทิฏฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าสรรเสริญขอบคุณวงค์สำหรับเช้า ว, วันนี้ที่เราโอกาสศึกษาพระเจ้าบุกติกันขอพระคัมภีร์เจ้าไม่เพีงเยงแต่พี่น้องเข้าใจ แต่จะเข้าไปถึงในหัวใจจนเกิดผล30บเท่าบัาง60สิเท่าบัางร้อยเท่าบัางตามเดชพิษทรงนำให้กงหลายมีความหวังและอดทนทรหณวิ่งในเส้นทางที่พระงค์กําหนดให้จนถึงที่สุดแล้วก็รักษาในสิ่งที่พงค์ทรงสัญญาไว้ทรงสั่งไว้และจะทําสงครามอย่างงดงามถวายแด่องค์พระเจ้าขอพระเจ้าไม่ตาให้สิ่งเหล่านี้ก็กระตุ้นเรามีกําลังมากขึ้นในการติดตามพระองค์จนกว่าชุดจะหาไม่หรือจนกว่าพระงค์จะเสร็จกลับมา ขอบคุณในพระนามขององค์พระผู้เจ้า